ถ้าเพ่งพิจารณาใคร่ครวรจะไม่เห็นสาระในต่อมน้ําเหล่านั้นเลยนะนี่เดี่ยวสั้นๆดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเวทนาทั้งหมดไม่มีความต่างจากต่อมน้ําเหล่านั้นเลย ภิกษุเพ่งพินิษฐพิจารณาดูเวทนานั้นโดยแยบใครเมื่อเธอเพ่งพินิษฐ์พิจารณาอยู่โดยแยบใครเวทนานั้นจะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของหาสาระไมิได้เลยสาระในเวทนาเนี่ยจะพึงมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายนเวทนาก็เหมือนกับต่ำน้ำําซึ่งอัตถกถาที่บายว่า ในบทว่ากินหิศยาพิกเวเวทนายสาโรเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้พึงทราบ ว, ว่าเวทนาเป็นต้นเหมือนกับต่อมน้ำเป็นต้นอย่างนี้คือเหมือนอย่างว่าต่อมน้ำไม่มีสาระฉันใดถึงเวทนาก็ไม่มีสาระแม้ฉันนั้นคำว่าสาระแปลว่าแก่นนะสาระนี้แปลว่าแก่นนะเช่นแก่นสารถ้าแก่นสารก็คือแก่นด้วย แก่นแอย่างเงี้ยนะเหมือนกับไทยเราชอบใช้คําว่าเล่นกีฬาใช่ไหมกีฬามเป็นภาษาบาลีแปลว่าเล่นเราไปเล่นกีฬากันนะบอกไปเล่นเล่นนี่พันธ์ก็จริงๆแล้วก็เป็นศัพท์ที่ใช้ควบกันนะแก่นสารก็สารก็คือตัดสะอาออกก็เหลือแต่ถ้าเพิ่มสะาก็เป็นสาระใช่ไหมสาระเวทนาก็ไม่มีสาระเหมือนกับต่อมน้ำเนี่ยนะไม่มีแก่นเหมือนกับต่อมน้ําต่อมน้ําไม่มีแก่นเลยนะมันเป็นโพรงเฉย เหมือนอย่างว่าตอมน้ำนั้นไม่มีกำลังจับคว้าไม่ได้ใครๆไม่สามารถจะจับคว้าต่อมน้านั้นมาทำเป็นแผ่นกระดานหรือที่นั่งได้ต่อมน้ำที่จับคว้าแล้วก็สลายตัว ท, ทันทีฉันใดนะถ้าใครเคยไปซื้อต่อมน้ำมาทำเป็นที่นอนบ้างนะอยนี้เอาทาที่นั่งที่นอนอะไรไม่ได้สักอย่างแม้เวทนาก็ฉะ น, นั้นไม่มีกาลัง จับคว้าไม่ได้ใครๆไม่สามารถจะจับคว้าไว้ด้วยสำคัญว่าเที่ยงหรือยั่งยืนแม้จับคว้าได้แล้วก็คงอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะเช่นสำคัญว่ามันสุกแต่ความสุกมันอยู่อย่างนั้นไหมมันก็ไม่ค่อยอยู่ะนะคือไปสำคัญยังไงเวทนามันก็เป็นอย่างเวทนานั่นแหละสำคัญยังไงเวทนาก็ไม่เที่ยงอยู่ดีสาคัญอย่างไรเวทนาก็เป็นทุกข์ะนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นทุกข์ เวทนาก็เลยเหมือนกับฟองน้ำเพราะจับคว้าไว้ไม่ได้อย่างนี้บ้างจับคว้าเอาไม่ได้เลยนะก็ลองดูนะใครจับคว้าเวทนาทางตาเอาไว้บ้าง่ะเออเนี่ยจับคว้าเวทนาทางหูจับคว้าอันนี้เอาเวทนาทางจมูกเอาไว้เนี่ยนะจับเอาเวทนาทางลิ้นเอาไว้เนี่ยนะโห อ, อาหารอร่อยมากรักษาเวทนาอันนี้เอาไว้เออเอางี้นะอาหารนี้อร่อยนะคุณกินอย่างงี้สักครึ่งวันอะเคยมีเด็กคนหนึ่งอืม กินน้าหวานนะน้ำหวา น, น, วานมันช เ, เด็กเนะี่ยมันชอบน้ําหวานนะมันก็อร่อยมากอนะมันก็เดิมไปด้วยแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่านะขึ้นจนน้ำมันมันอาเจียนเลยอนะ่ะบอกไอ้น้ำหวานอันนั้นเนี่ยเลิกหวานเนี่ยเนี่ลิอกอร่อยทันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเวทนาเนี่ยสมมติถ้รักษาให้มันได้เวทนาให้มันคงที่เหมือนกับหวานอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้อีกนั่นแหละเงนีนะ มันเวทนาในสัมผัสทั้งทั้งหเลยนะเวทนาที่เกิดจากทวารหกความรู้สึกที่เกิดจากาตาหูจมูกลิ้นกายใจยเนี่ยมันจับคว้าเอาไว้ยังไม่ได้จริงๆถึงใครจะไปจับมันก็ได้อยู่ไม่นานเนี่ยเช่นหัวเราะก็ได้ไม่นานร้องไห้ก็พักหนึ่งเฉยก็พักหนึ่งแล้วก็หัวเราะร้องไห้เฉยหัวเราะร้องไห้เฉยก็สับอยู่แค่นี้แหละนะมันจะเอาเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ อีกพักหนึ่งเนี่ยโอเสียใจแรงมากอีกพักหนึ่งหัวเราะกักกักกอีกพักหนึ่งก็เสียใจอีกแล้วอีกพักหนึ่งก็ใช่อย่างงี้ยนะก็อยู่อย่างนีงเององนง้เอ่อถ้าใครดูทีวีต่างประเทศนะบางทีมันจะขำไอ้ต่างประเทศประเทศที่เราดูแต่เห็แแนแต่สีเนี่ยนะที่ฟังเสียงไม่ออกอ่ะบางทีมันก็ดูน่าขำดีเหมือนกันนะเขาพูดอะไรเขาเชน่นฟังเพลงฝรั่งดูในทีวีนะของมาฟังฝรั่งไม่ออกอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเขาเปิดเพลงฝรั่งด้วยแล้วมีรูปฝรั่งร้องด้วยเนะ เราก็นึกขำดีเหมือนกันรู้เขาว่าอะไรนะก็คือคือมันเปลี่ยนไปสับเวทนาเดี๋ยวเขาก็ยิ้มบ้างเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ก็มมก ด, ก ด, กดูลักษณะไอ้เวทนาที่มันเป็นสมุติฐานให้นะก็นึกโอ้มันก็เป็นอย่างนี้จึงถ้าถ้าเก็บในแง่ความรู้สึกแล้วก็ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ย น, นนะมันดูน่าขำดีเหมอนมันไม่มีสาระอะไรเลยจริงๆอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าตอมน้ําย่อมเกิด และสลายตัวไปในเพราะหยดน้ำนั้นๆอยู่ไม่ได้นานชันใดแม้เวทนาก็ฉั น, นั้นย่อมเกิดและสลายตัวไปอยู่ได้ไม่นานในขณะชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยเกิดดับนับได้แสนโกรครั้งเวทนานี้เกิดเร็วมากอ่านันที่เร็วก็แราก็ไม่ต้องไปคิดให้มันมากอะไรเนี่ยแค่เสียงที่มันดังนะจริงๆอะเสียงเนี่ย เสียงที่มันสะเทือนเร็วๆๆๆทําไมเหมือนกับว่าเราเนี่ยรับตลอดเลยจริงๆอะจิตคนละดวงคนละดวงนะที่รับคนละเมเ็ดนะเสียงนั่นนะสมมุติถ้าเสียงเนี่ยมันเหมือนกับดังพรังพลูมานะฝนตกเหมือนกับฝนเนี่ยเสียงเร็วมากนะเสียงเนี่เต็มไปหมดเลยแล้วเราได้ยินนะแต่ละหนึ่งเสียงเนี่ยคนละจิตหมดเลยนี่นะคนละจิตคนละจิตคนละจิตมันในช่วทวารอ่าทวารหูเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้ถวานตานะีเหมือนกับว่าดูเพริบเดียวเห็นคนเป็นล้านเลยนะจริงๆแล้วนะปลารบหนึ่งคนก็ถือจิตหนึ่งชนิดจิตหนึ่งอย่างมันถ้าดูเหมือนกับเป็นล้านเลยนะจิตจะเท่าไหร่หรือดูต้นไม้เนี่ยนะดูป่าเห็นป่าเป็นเทือกหมดแต่ละสีที่ที่เห็นเนี่ยนะด้วยมนาสิการคนละมนานสิการด้วยนะแต่นั่นคือความรวดเร็วของอภาษาเวทนาที่เกิดขึ้นนี่เนี่ยนะเราก็มาวิเคราะห์ธรรมดาเฉยๆเนี่ยว่า เวทนาที่เกิดจากจักสูค ah. สัมผัสเนี่ยอย่างหนึ่งเอาแบบหยาบๆก่อนนะนะกค่อยคิดละเอียดทีหลัง น, นะเวทนาที่เกิดจากการเห็นอย่างหนึ่งนะเวทนาที่เกิดจากทางได้ยินเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางรู้กลิ่นทางรู้รสทางกระทบทมผลเนี่ยนะทางกายอะ่ะนี้ถ้าทวารตาก็มาไล่เวทน า, าที่สมมุติว่าเรานั่งกันอยู่นี่เห็นคนสัก20คนเนี่ยอันไหนเะวทนาที่เกิดจากการเห็นกับ จากแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ถือว่าคนละเวทนาเลยเนยเห็นสีคนละสีก็คนละเวทนาลวเพียงกั่ว่าเราไม่สังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองถ้าดูต้นไม้สิบต้นนี่ก็คนละเวทนานะน <c oughs> อันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ำเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุสคือพื้นน้ำหยดน้ำระลอกน้ำและลมที่พัดมา ทำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนฉันใดเวทนาก็ฉันนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุ4ี่อย่างคือ 1. วัตถุ 2. อารมณ์ 3. ระลอกกิเลส 4. และการกระทบกันด้วยอำนาจผัสสะเวทนาเป็นเหมือนกับต่อมน้ำด้วยอาการอย่างนี้บ้างเนี่ยนะันแสดงว่าหลังจากการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรับรู้รสการนึกคิดเนี่ยนะอันนี้วัตถุกับอารมณ์นี่แน่นอนใช่ อันนั้นเป็นผลพวงของระลอกกิเลสเนีน่ยนะเป็นผลพวงของระลอกกิเลสด้วยก็แต่ละครั้งที่กระทบเนี่ยถือว่าเป็นผลพวงของระลอกกิเลสและก็ระลอกกิเลสอันใหม่ก็เกิดอีกเนี่ยนะคือคือคลื่นที่มันจะสมมติว่าใครๆไปเที่ยวทะเลเนี่ยจะเห็นนะคืที่มันเป็นคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะซึท่ทอดทัอดกันต่อไปใช่จิตมันก็เหมือนกันนะสมมติว่าความคิดอันนี้ที่เกิดขึ้นอาศัยระลอกของความคิดก่อน ไอ้ระลอกความคิดอันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่ระลอกความคิดต่อไปเนี่ยนะก็เป็นระลอกระลอกระลอกสืบทอดกันนี้นนระลอกกิเลสเนี่ยทีมันมาจับไว้หมดเลยอ่ะก็เวทานานี้ตอนที่เรียนเวทานานุปนัสสนานี่ให้พิจารณาอะไรจะรู้เวทนานี่ให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาอารมณ์นะเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งแห่ง เวทนาเนี่ยนะถ้าเป็นอิทธารมก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาถ้าอนิธารมเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้าเป็นอารมณ์ธรรมดาทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นใครเห็นอิดแล้วยิ้มเนี่ยนะน้อยมากนะเห็นไหมสมมติเห็นก้อนอิดธรรมดาเนี่ยแล้วยิ้มอะน้อยมากเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันั้นเป็นมัตฉตาารมณเนี่ยนะเป็นอารมณ์ปกติบังนั้นเะถ้าใครไปเห็นอารมณ์แบบนี้แล้วยิ้มนะ คนนี่จะแปลกใจมากอะ้วเห็นกอนอิดแล้วร้องไห้อย่างนี้ก็คนก็จะแปลกใจเพราะว่ามันเป็นมัจฉาอารมณเนี่ยมันเป็นอารมณ์ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าโขอารมณ์ที่เป็นอิดถารมมากใครเห็นก็ต้องการถ้าใครไปเฉยเลยนะ เ, ยเขาก็แปลกใจเหมือนกันไอ้ทําเกิดอะไรขึ้ น, นนะถ้าไปเจออิดถารมอีกคนร้องหนะไห้อะนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเขาจะรู้กันจริงแล้วอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่บอกเวทนาเป็นอย่างดีนะ ยิงมาพิจารณาสัญญาขันบ้างดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูขิมหันดำรงอยู่แล้วในเวลาเที่ยงพยับแดดเนี่ยเต้นระยิบระยับบุรุษผู้มีตาดีพึงเพ่งพินิษพิจารณาดูพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อเขาเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยแยบคายพยับแดดนั้นจะปรากฏเป็นของว่างทีเดียวนะ ก็หลังจากนี้ไปไม่นานเนี่ยนะจะเป็นฤดูที่ฝนต้นไม้ใบหญ้าจะถูกไฟป่านี่เผาใช่ไหมเมือ่อเมื่อไฟเผามากๆเนี่ยพื้นล่างจะร้อนระอุลกลางวันแดดก็จัดเพราะฉะนั้นมองไปทางไหนจะเป็นพยับแดดหมดเลยเนี่ยนะก็จะเป็นพยับแดดระยิบประยับเนี่ยหน้าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดอันใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนี่ก็ที่เห็นมากก็คือพยับแดดมั่งนะระยิบระยับประยิบ ร, ยระยับ ถ้ยิงขับรถด้วยก็เหมือนกับว่าแม่น้ําท่วมถนนไปเกือบตลอดซ้ายเลยนะจริงแล้วก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นพยับแดดเนี่ยนะที่ดูเหมือนกับจริงแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ไอตรงไหนดูเหมือนน้ำใสๆเนี่ยนะกลางวันเนี่ยเดินไปเหยียบดูเถอะตรงนั้นเนี่ยท้าเนี่ยถ้าเหยียบสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยสุกเลย น, นะเพราะว่าพยับแดดนี่ไม่มีสาระเลยนะ พยับแดดนี้มันเป็นตัวบอกเตโชธาตเป็นอย่างดีเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นเป็นตัวบอกว่าตรงไหนพยับแดดมากนะตรงนั้นแสดงว่าเตโชธาตมันแรง <c oughs> แต่ตัวพยับแดดนี่เป็นเป็นรูปรายตรนะใช่ไเป็นสีแต่ว่ามโนทวาร น, นี่รู้ได้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างข้างนอกแต่ว่าทวานตาเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบ จากพยับแดดมาเนี่ยทำให้เห็นว่ามันเชื่อไม่ค่อยได้เนี่ยนะเพราะในสิ่งที่เห็นแล้วก็ด้วยสัญญาวิปลาดนี่อย่าไปคิดว่ามันจะจริงอย่างนั้นเสมอไปใช่มมันไม่จริงอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าสัญญาก็เหมือนกันนะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในายภายนอกยาบละเอียดเลวประเภทไกลและใกล้เนี่ยสัญญาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสัญญา พิจารณาก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของที่หาสาระไม่ได้เลยสาระในสัญญาเนี่ยจะพึงมีได้อย่างไรพิสูจทั้งหลายเนี่ยไม่มีสาระหรอกสัญญาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากพยับแดดเลยอัตกถาที่บายว่าแม้สัญญาก็ชื่อว่าเป็นเหมือนพยับแดดเพราะอัตถว่าไม่มีสาระอันนึ่ง เชื่อว่าเป็นเหมือนกับพยับแดดเพราะอถ า, าว่าอันใครๆเนี่ยจับคว้าไม่ได้เพราะใครๆไม่สามารถจะจับคว้าเอาพยับแดดนั้นมาเพื่อจะดื่มเพื่อจะอาบหรือเพื่อจะบรรจุให้เต็มภาชนะได้เพยับแดดกลางวันเนี่ยนะไปเอาถังน้ำฝนไปรองก็ยังไงก็ไม่ได้ดื่มแน่ชั้นใดเนี่ยสัญญาก็เหมือนกันนะสัญญาในสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดาสีแดงเนี่ยสัญญาที่ไปจดจาหมายในสีต่างๆนเนี่ย ก็เอาเป็นสาระไม่ได้เอามาพอที่จะเป็นเครื่องดื่มกินอะไรไม่ได้เลยนะเว้นไว้แต่เกื้อกูลต่อกิเลสเกื้อกูลต่อบาปอากุศลอย่างเดียวสัญญานี้เป็นปัจจัยสำคัญของตัณหามา n a ิ i t เนี่ยนะอีกชื่อหนึงาบอกว่าปะปันจะสัญญาว่ากันเถเครื่องเนื่อช้าทั้งหลายตัณหามา n ะทิฐิเนี่ยเกิดจากสัญญาเป็นต้นเหตุเนี่ยนะสัญญาไปจำในสีต่างๆ อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพยับแดดย่อมเต้นยิบยับปรากฏเหมือนมีลูกคลื่นเกิดฉันใดแม้สัญญาแยกประเภทเป็นนีและสัญญาสัญญาในสีเขียวเป็นต้นก็ฉันนั้นจําได้วันนี้สีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงสีชมพูเป็นต้นเนี่ยนะก็ย่อมไว้ตัวคือเต้นยิบยับเพื่อประโยชน์แต่การเสเวย อ, อารมณ์มีรูปสีเขียวเป็นต้นเนี่ยนะก็ดูผ้าลายนี่จะเห็นชัดไหมสัญญาในผ้าทั้งหลายแหละเนี่ยนะ สัญญาในสีเช่นถ้าเห็นคนเนี่ยก็สัญญากับแต่ละคนเนี่ยแล้วก็สัญญาที่ในสีขาวสีเขียวเนี่ยในสีผิวสีผมสีเล็บสีฟันทั้งหลายอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาทั้งนั้นเนี่ยอสัญญานี้นะจะตัวตัวสัญญาภายในเนี่ยจะเอามาทําอะไรสักอย่างก็ไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์มันยิบยับมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปสัญญานี้มีอะไรเป็นปัจจัย สัญญานี้เพราะอะไรเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะอะไรเกิดสัญญาจึงเกิดคุณนภา <c oughs> ใครนะว่าภาษาเมื่อกี้เก่งมากสัญญานี้เกิดจากภาษาสัญญานี้มีภาษาเป็นปัจจัยญญาภาษาเท่าไหร่สัญญาก็มีเท่านั้น คือภาษานี้เป็นปัจจัยทั้งเวทนาเป็นปัจจัยทั้งสัญญาเป็นปัจจัยทั้งสังขารนะทั้งสามอย่างเลยอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพยับแดดย่อมหลอกล่อคนจำนวนมากให้หลงให้พูดว่าปรากฏเหมือนแม่น้ำมีน้ำเต็มฉันใดแม้สัญญาก็ฉะนั้นย่อมหลอกล่อคนจำนวนมากให้หลงให้พูดว่ารูปนี้สีเขียวสวยงามเป็นสุขเที่ยงนะ เหมือนกับว่าสีนี้โอ้โหทนนานเนี่ยนะก็ถ้าเขาขายสีเขาจะว่าไงนะสีนี้ใช้แล้วทนใช้แล้วนานเนี่ยนะก็สีนี้ก่อให้เกิดความสุขเป็นอย่างมา ก, กนะ เ, เพราะฉะนั้นสีนี้ก็ทำให้สัตว์เนี่ยลุ่มหลงเป็นจำนวนมา ก, กว่านึกว่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมสีทั้งหลายแหละเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแมในรูปสีเหลืองเป็นต้นก็มีนัยยะนี้เหมือนกัน สัญญาชื่อว่าเหมือนพยับแดดเพราะทำให้หลงอย่างนี้นะรูปปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่เพลิดเพลินติดข้องในสีเนี่ยเกิดจากสัญญาอย่างเดียวนเกิดจากสัญญาเพราะผู้ที่กิเลสที่เกิดจากทวานตาเนี่ยนะที่ไปติดข้องในสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงที่ว่าตรงๆก็คือสีผิวเป็นต้นน่ะกรรมฐานที่เจริญเนี่ยท่านจึงให้เจริญกรรมฐานประเภท วินีละกะอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะคือให้ไปเจริญไปไปไปดูรูปที่เป็นซากศพที่เป็นสีเขียวคล้ำซากศพที่น้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยไหลเยิมเท่หมูน้อนกิมิชาบเนี่ยกัดช้อนกินเป็นต้นเนี่ยก็ให้ไปพิจารณาสีประเภทนั้นให้มากๆเพื่อที่จะได้ตัดไ อ, อ, อรูปประสัญญาที่ก่อให้เกิดตันหานี่นะนมาขึ้นสังขารมั้ง ดูการพิศูนทั้งหลายบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เศาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้เอาผึ่งที่คมเนี่ยเข้าไปในปา่าผึ่งก็คือขวานเน่ยนะเขามองเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่ลำต้นตรงยังใหม่ยังไม่เกิดหยวกเนี่ยแข็งมากคื อ, คอดูแล้วใหญ่ใช้ได้แบบนั้นแหะเขามองเห็นต้นกล้วยอันนั้นเข้าเนี่ยนะ ก็เลยตัดเอาต้นกล้วยนั้นที่โคนขั้นตัดโคนแล้วก็ทอนปลายขั้นทอนปลายแล้วก็ลอกกาบออกเ <c oughs> มื่อลอกกาบกล้วยนั้นออกแม้แต่กระพี้เขาก็ไม่ได้ในต้นกล้วยนั้น น, นะจะได้แก่นมาแต่ไหนคือต้นกล้วยที่ที่ยังไม่มีหยวก น, นะถ้าถ้าต้นกล้วยมีหยวกเนี่ยลอกไปลอกไปมันเหมือนจะมีแก่นอยู่หน่อยนึงอะแต่ถ้าต้นกล้วยที่ยังไม่มีหยวกไม่มีปลีไม่มีอะไรเลยนะ เป็นกล้วยกล้วยหนุ่มๆธรรมดาเนี่ยลอกไปลอกไปลอกไปลอกไปเนี่ยลอกไปแล้วมันหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอย่านีเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากระพี้ยังหาไม่ได้เลยเพราะงั้นแก่นเนี่ยจะเอามาแต่ไหนเหมั้นบุรุษผู้มีตาดีคงเพ่งพินิษฐพิจารณาดูต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายเมื่อเพ่งพินิษฐพิจารณาดูโดยแยบคายต้นกล้วยจะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าไม่มีแก่นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลาย แก่นในต้นกล้วยนั้นจะมีได้อย่างไรฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายสังขารเหล่าใดเหล่านึงสังขารนี่ใช้คาว่าเหล่าเลยนะที่ใช้คาว่าเหล่าเนี่เพราะว่าสังขารนี่มีมากใช่ไหมสังขารนี้ถ้าเรียนเจตสิกมาก็ไม่ยากไงภาษะเจตนาเนี่ยนะวิตกวิจารพวกนี้เป็นสังขารทั้งนั้นหรือตัวเจตนาเนี่ยชัด เจตนาทั้งที่เป็นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอัพยากตะเจตนาหรือกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกนี้เป็นสังขารขันทั้งหมดเลยนี่ยนะโลภะทิฏฐิมานะเนี่ยนะโทสะอิจฉามัชมชริยะกุกุจฐีนมิทะวิจิกิจชาเนี่ยนะพวกนี้เป็นอกุศลเจตสิกซึ่งก็คือสังขารขันเนี่ยนะ หรือสัทธาหีนิโอตปะอโลภาอโทสะตตระมัชตตาเนี่นะกายปสัสสติจิตตปสัสสติทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสังขารขันเหมือนกันอันสังขารเหล่านั้นทั้งหมด น, นนะนีสังขารไม่ว่าจะเป็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลอัพยาคตะเนี่ยใช้คําว่าสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งสังขารเหล่านั้นนะ่ะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกนี่นะี ทั้งหยาบทั้งถ้านับตามเจตสิกก็มีห้าสิบห้าิบเจตสิกเนี่นะเป็นสังขารขันหมดเลยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลไกลเนี่ยนะ ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเหมือนกับต้นกล้วยเพราะว่าภิกษุเพ่งพินิษพิจารณาดูสังขารนั้นโดยเยบคลายเมื่อเธอเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยเยบคลายสังขารนั้นจะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาระในสังขารทั้งหลายจะเพ่งมีได้อย่างไรเนี่ยนะคนยังไงก็หาสาระไม่ได้เลยในสังขาร ตักคาถาทีบายว่าบทว่าอกุกุชากัะกะชาตังเนี่ยนะได้แก่ไม่มีแก่นเกิดอยู่ในภายในแม้สังขารทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นเหมือนต้นกล้วยเพราะอาจว่าไม่มีสาระคือแก่นอันหนึ่งชื่อว่าเป็นเหมือนต้นกล้วยเพราะอาจว่าจับคว้าไม่ได้เปรียบเหมือนว่าใครๆไม่สามารถจะจับคว้าอะไรๆจากต้นกล้วยแล้วนำเข้าไปใช้ประโยชน์เป็นกรอนเรือนเป็นต้นเนี่ยนะ เห็นต้นกล้วยลําต้นตรงๆจะเอามาทําเสาได้เนี่ยทําไม่ได้นะแต่ว่าแถวชนบทบางแห่งเนี่ยเขาเอาไว้รองรองอะไรรู้ไหมต้นกล้วยรองหีบศพ <c oughs> นั่นนะ <c oughs> คือที่เขารองหีบศพเนี่ยนะมันไม่ทราบด้วยเหตุผลใดแต่ว่าเราก็มานั่งคิดดูนะมีไปอยู่งานหนึ่ง <c oughs> เขาต้นกล้วยนี่มารองพื้นล่างหีบศพ น, นะ เขาก็จะไม่วางบนนี้ธรรมดาเขาจะวางบนต้นกล้วยแล้วก็มานั่งนึกเขาคงมันเป็นปริศนาทําไมเขาไม่เอาท่อนอื่นๆมารองแทนเนี่ยนะทำไมเข า, มาเอาต้นกล้วยมาแล้วก็มานั่งนึกถึงสูตรนี่นะโอ้นะในเนีไม่ใช่ใชอรองศพตอนในงานนะนะไม่ใช่ตอนเผาตอนในงานธรรมดาเนี่ยตอนที่มาตั้งสวดให้ตั้งศพในพระสวดเนี่ยเขาจะใช้ต้นกล้วยนี่มารองอันหนุนใต้โลงอ่ ะ, อนน ใ, อะใช้ เอาเอาต้นกล้วยเนี่มามาหนุนใต้โรงอ่ะนะรองลงศพอ่ะแล้วก็มาเห็นดูเออร่างกายนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้ต้นกล้วยเนี่ยไงประโยชน์มันมีเท่านี้จริงๆสังขารก็ลักษณะนี่แหละไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไอ้ต้นกล้วยเนี่ยนะใครจะเอาไปทําเป็นเสาบ้านไปทําเป็นเสาเรือนไปทําเป็นฝาบ้านฝาเรือนเนี่ยไม่มีใครเอาไปทําอยู่แล้วใช่ไหม เพราะว่าแม้นําเข้าไปใช้ประโยชน์ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะนโมธาตุปลูกบ้านเอาต้นกล้วยมาทําเสาเนี่ยนะปลูกเชา้าไอ้ปลูกเย็นเนี่ยนะเช้านี่ไปดูเนี่ยสงสัยจะล้มหมดแล้วมั้งเพราะว่าไม่เป็นไปตามประสงค์ฉันได้แม้สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นใครๆไม่สามารถจะยึดถือเอาว่าเที่ยงเป็นต้นได้แม้ยึดถือแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับไอ้เช่นใครตั้งใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าความตั้งใจอันนั้นมันจะไม่เปลี่ยนใช่ไหม ก็ก็มีคนหลายคนเขาบอกเอ๊ะคนนั้นเขาดูเขาตั้งใจนะเหมือนกับว่าแม้เขาตั้งใจเอาจริงเอาจังมากนะบอกอย่าไปคิดอะไรมากไม้มันก็เหมือนกับต้นกล้วยนั่นแหละจับคว้าเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้หรอกอย่างนั้นแล้วงงนะก็ไอ้ท่านไอ้เจตนาเช่นความตั้งใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยจริงจริงจริงแล้วมันเปลี่ยนทุกอารมณ์นะถ้าว่าให้ตรงอนะเพราะอะไรเพราะรู ป, ปรสานเจตนาก็อย่างหนึ่ง สัทธาสันเจตนาก็อย่างหนึ่งนะแล้วถ้าสัทธาสันเจตนานะเจตนาในเสียงถ้าเสียงเปลี่ยนเจตนาก็ก็เปลี่ยนด้วยเช่นไอ้ความนัดหมายกันเนี่ยนะถ้าเสียงมันเปลี่ยนนะการนัดหมายความตั้งใจนี่เปลี่ยนหมดเลยเพราะนั้นอิทธิพลของเสียงนะี่มันเปลี่ยนเจตนาไปไปหมดเลยนะเพราะนั้นไอ้เจตนาเป็นต้นเนี่ยมันจึงเอาเป็นเป็นแก่นสารเป็นสาระอะไรเลยไม่ได้ อันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าต้นกล้วยเป็นที่รวมของกาบจำนวนมากฉันใดสังขารทั้งหลายเม้ฉันนั้นเป็นที่รวมของธรรมะมากนะมีอะไรบ้างอนะภาษาเจตนาเนี่ยนะเอกคตาชีวิตินซีมนสิการเนี่ยนะวิตกวิจารณทิโมกวิริยาปีติฉันทะเนี่ยนะอากุศลเจตสิกทั้งหลายก็โลภะอ่ะ โมหะอะหิริกะอโนตปะโลภาทิถิมานะโทสะอิชามัชริยะกุกุจะทีนะมิทะนะวิจิกิชาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมสัทธาวิริสัทธาหิริโอตปะอโลพาอโทสะตัตตระมัชตตากายะปัสสติจิตตะปัสสติเนี่ยนะกายุชุกตาจิตตกชุกตาจิตตาละหูตากายะละหูตาจิตตามุถูตากายะมุทูตาเนี่ย แล้วก็ยังมีกรร ม, มัญตาปาคุญยาตาเอกหรือแม้กระทั่งพวกวีรตีทั้งหลายหร้นเจตสิกทั้งหลายเนี่ยมันเวลาเกิดขึ้นเนี่ยรวมตัวกันเป็นจำนวนมากแต่ถ้ามาคัดมาแยกไปแล้วเนี่ยไม่มีสาระอยู่ในนั้นเป็นจริงเป็นจังอะไรเลยอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าต้นกล้วยมีลักษณะต่า ง, า ง, างกันคือกาบภายนอกมีสีเป็นอย่างหนึ่ง กาบภายในถัดจากกาบนั้นเข้าไปก็มีสีอีกเป็นอย่างหนึ่งชั้นใดแม้สังขารสังขารขันอะนะก็ฉะนั้นเหมือนกันภาษะมีลักษณะอย่างหนึง่งเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะเจตนาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งมนุิการก็มีลักษณะอย่างหนึ่งเอกคตาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งวิตกก็ลักษณะอย่างหนึ่งวิจารก็ลักษณะอย่างหนึ่งคือคนละลักษณะนะ แต่ครั้นรวมเจตนาเป็นต้นเข้าแล้วจึงเรียกว่าสังขารขันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสังขารขันเป็นเหมือนกับต้นกล้วยอย่างนี้นี่ลบทว่าจักขูมาปุริโสความว่ามีจักสุ ด, ดีด้วยจักสุทั้งสองคือมังจะจักสุและปัญญาจักสุอธิบายว่าแม้มังสะจักสุ ข, ของบุรุษนั้นก็บริสุทธิ์ปราศจากต้อนะต่อมก็ใช้ได้คือตาดีเหมือนั่นะ แม้ปัญญาจักสษุก็สามารถมองเห็นว่าไม่มีสาระก็ใช้ได้สมไมก่อนเด็กๆชอบตัดต้นกล้วยเล่นนี่ยตัดเล่นกันมานั่งเกาะลอกกาบเล่นลอกไปแต่ถ้าต้นกล้วยต้นไหนที่ที่เขาเอาลูกเช่นลูกมันสุกอ่ะนะเขาตัดเขาตัดเขาจะเอาลูกมันไปนะแล้วต้นเขาต้องตัดด้วยนะเขาจะไม่เอาต้นมันไว้นะมันไปเสียสเสบียงเสียอาหารอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดเอาต้นเอาลูกกล้วยไปอ่ะนะเขาจะต้องตัดต้นทิ้งด้วย นั่นเป็นที่เล่นของเราเลยนะมันลอกกาบเล่นลอกเล่นลอกเล่นมันก็ไม่มีอะไรนะทำไมเด็กๆ ก, ก็ชอบลอกประเภทเนี้เล่นนะฟังสูตรนี้นะเห็นชัดเลยว่าอ้ยิ่งนามธรรมที่ภาษาสัญญาเจตนาพวกนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรมันลักษณะเดียวกันไม่มีสาระไม่มีการสารเหมือนกันเลยอาจาเคยแกงหยวกกล้วยไหนนครับแกงยหยวกกล้วยฉันไม่กี่ครั้งมั้ง ดูการพิสูจนทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือของนักเล่นกลแสดงมายากลที่สีแยกบุรุษมีตาดีเนี่ยเพ่งเพ่งพินิษ์พิจารณาดูมายากลนั้นโดยแยบคายเมื่อเขาเพ่งพินิษฐ์พิจารณาดูโดยแยบคายมายากลก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าไม่จริงเลยเนี่ยนะถ้าตอนนี้เราดูอะไรมายากลอันนี้บอกดูทีวีทั้งนั้นแหละมันจริงไหมในทีวีอ่ะ มีมีอย่างนั้นจริงไหมนะสมมติว่าไปคุยกับคนในจอได้ไหมหรือเรียกเข้ามาได้ไหมดูเหมือนใช่นะเดินเหินแต่จริงไม่ใช่เลยนะนะก็ดูทีวีนี่แหละมายากลเขาเข า, เขาเรียกว่าไอวงการเหล่านี้ก็ใช้วงการอะไร เ, เรียกว ง, วงการมายานะใช้ก็ใช้ศัพท์ตรงตัวเหมือนกันนะแต่ก็ดาราจอเงินจอแก้วแต่เขาเรียกวงการมายาเขาว่ากันเพราะมันเป็นเพราะมันไม่จริงอะ่ะเป็นพระเอกเป็นพระรองเป็นงั้นมันไม่ใช่สักอย่างเลยนะ เป็นพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างเช่นสับชั้นสูงเนี่ยนะเอามาใช้เล่นทั้งหลายแหละก็คือเนี่ยในแวดวงมายาทั้งหลายแหละเนี่ยมาใช้สับมันได้สารพัดอะพอไปพิจารณาโดยแยกคายแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะยิ่งยิ่งสีทั้งหลายในในทีวีใน TV, ใ, ในคอมพิวเตอร์นะมันจะมีสีให้เลือกโอ้เยอะแ ย, ยะสีมากเลย กดปั๊บนะสีมันพุ่งออกมาเลยนะมันหลอกจริงๆเลยพมถ้าพิจารณาโดยแยบคายก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าไม่จริงเลยดูกรพริศุทธทั้งหลายความจริงคือสาระในมายากลเนี่ยจะมีได้อย่างไรฉันใดดูกรพริศุทธทั้งหลายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแล้วพิสูจเพ่งพินิจพิจารณาดูวิญญาณ น, นั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเพ่งพินิจพิจารณาดูแยบคายวิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้ดูกนพิสูนทั้งหลาย <c oughs> อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในรูปบ้างเบื่อหน่ายในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้าง ในวิญญาณบ้างเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าก็มีญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าพรหมจรรย์เนี่ยทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็เป็นพาหันนั่นแหละก็ถ้าจำข้อเปรียบเทียบเหล่านี้ทั้งหมดมาพิจารณา